ถ้าบอกกายคตาสติเรียนเนติปกรณ์มาแล้วก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมเวทนาคตาสติก็เท่ากับแสดงแล้วจิตตะคตาสติก็แสดงแล้วธรรมะขตาสติก็แสดงแล้วถ้าแสดงสติประธานสีแล้วสัมมาประธานสอิทธิบาทสีอินทร์สพระโพชฌงค์อริยมรตมีองค์แปดก็เจริญแล้วก็ไม่นานก็บรรลุเป็นผาา้าหันตัวนี้ปิดนะ ม, มันเสียงมันเข้าในม้ก เปิดเปิดแอร์สาตัวนะตัวตัวข้างๆอาตมาก็คือมันเข้าไม่อ่ะนะเดนพรนนี่ถ้าจะให้เย็นให้ดีก็ดูพัดลมตั้งโต๊ะมาตั้ ง, งแล้วก็เป่าเอาอนะันนก็จะช่วยได้ค่อนข้างสูงหนาวหรื อ, อยังยังไม่หนาวนะเอาพอดีกันแล้วกันนะ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 สังฆ ค, คุณอ น, นะอธิบายได้ทุกเรื่องจริงๆจาไว้แค่นี้แหละแล้ ว, ลวก็อ่านไปเถอะพระไต่ายวิโดกไม่มีเกินสิ่งเหล่านี้หรอกเนี่ยเรียนมงคลเนี่ยพ้นอยู่ในกลุ่มไหนมงคลภาเวตประธรรมก็กําลังเรียนภาเวตประธรรมสิ่งที่เราจะต้องเจริญ จ, จะต้องบําเพ็ญขึ้นจะต้องทําขึ้นี่ได้มงคลที่เท่าไราแล้วเนี่ยยี่สิบแล้วสิบเก้ายังไม่จบดีิเลย <S <S ส9ยังไม่จบดีเลยเนาะคือวิรติอารติวิรติปาปามัชะปานาจัสญยโมอปมาโทจะทมเมสุเอตัมมังคัมุตตะมังเนี่ยนะนีก็มาขึ้นในอารติวิรติอารติหมายถึงอะไรเว้นบาปทางใจใช่ั้ยวิรติเว้นบาปทางกายและวาจาวิรติมีสามอย่างคือสัมปตะวิรตวิรติกับวิรัตอันเดียวกัน นัสัมปะตาก็คือคนดีโดยอัธยาศัยเนี่ยนะเขาไปเจออะไรที่น่าทำชั่วเขาก็ไม่ทำชั่วรอกส่วนบางพวกนี่ไม่ได้ดีขนาดมันเอาอนนถ้าไม่ได้เป็นคนดีโดยอัธยาศัยจริงๆก็สมาทานไดน้นะฝึกได้หรือผู้ที่อบรมสมาทานบ่อยมากอบรมจนอริยมรรคเกิดก็หลังจากนั้นก็เพราะการร่วงศี หลังจากนี้ไปก็เป็นอันละเว้นได้โดยเด็ดมันมันเป็นอะไรนะเนาะเตโชธาตมันกำเริบไม่ไม่มีใครโดนไฟอะไรเลยใช่ไหมโดนสายโดนไม่มีเลยไหนเะน๊ะไ ม, ไม่ก็ดูอยู่ไม่มีอะไรเลยเพิ่งๆพ่งเปลี่ยนไป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 ที่จะล่วงทุจริตกรรมเหล่านั้นบางคนเนี่ยสมาทานศีลใช่แต่ว่าก็ยังฝันมาตบยุงอย่างเงี้ยนะก็แสดงว่าศิกษาบทยังไม่มั่นคงสักเท่าไหร่นะก็สมาทานให้มั่นให้เพิ่มยิ่งยิ่งขึ้นไปในหน้า196กล่าวว่าท่านกล่าวกรรมมกิเลสสีคือปานาติบาตอธินาทานมุสาวาดและการละเมิดภริยาของผู้อื่นบัณฑิตทั้งหลายไม่สรรเสริญเลย ที่ไม่สรรเสริญก็นำความเสียหายเช่นปานาติบาตนะเสียหายเจตนาตรงตร ง, ตรงถ้าล่วงละเมิดนรกกับเดราชานผลอย่างเบาที่สุดอายุสั้นเพราะฉะนั้นมีสิทธิ์อาจจะเกิดเป็นมนุษย์สามนาทีห้านาทีสองสามชั่วโมงหรืออายุสั้นๆตายได้หมดแหละพระาอธินาทานก็อบายทุกขติวินิบาตนรกอีกนั่นแหละผลอย่างเบาที่สุดทาให้ยากไรในเรื่องทรัพย์ถึงมีทรัพย์ก็เสียหาย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 ไม่มีใครพูดจริงกับเราสักคนเดียวเลยเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะชีวิตเนี่ยนะถูกหลอกอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ถ้าละเมิดภรรยาของผู้อื่นนะอบายทุกติวินิบาทนรกแต่ถ้าเกิดเป็นมนุษย์นะพวกนี้เป็นคนขี้หวาดระแวงเนี่ยอันนี้เศษอย่างเบาๆเลยนยะแม้กระทั่งเคยที่เคยรู้จักบางคนที่เป็นผู้ชายนะที่มัก ผิดคู่ครองบุคคลอื่นมากนะพวกนี้นอนไม่ค่อยหลับมันเป็นพวกที่หวาดระแวงเอามากๆเลยนะเขาเรียกว่าเป็นคนที่หวาดระแวงสะดุ้งขี้กลัวจริงๆเลยเพราะว่าทําเหตุที่ไม่ดีเนี่ยนะอันนี้เศษนะศษเศษเสี้ยวแต่เจ้าคนนี้ก็กลับมาทําใหม่อีกเนยนะนะแล้วก็ทําบ่อยด้วยนะนะก็นึกแล้วก็น่าเห็นใจน่ากรุณาเลยว่าืถ้ากรรมมันให้ผลนะไปเก็บไว้ไหนเนาะเห็นไหมจริงๆก็ไม่มีใครทําลายเขาหรอก เจตนาของเขานั่นแหละมันประทุสรายตัวเขาเองดังที่พระองค์ตรัสว่าตัวเหล็กนะอะไรทําลายเหล็กส น, สนิมที่อยู่ในเหล็กเป็นตัวทําลายเหล็กราค่าโทสะโมหะที่อยู่ในจิตของสัตว์ทั้งหลายก็ทําลายลายสาัตว์ทั้งหลายฉันนั้นไม่มีผู้ใดไปทําลายเขารอกแต่ว่ามันประจวบเหมาะดูเหมือนบุคคลอื่นมาทําลายแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ น, น, นะนะเพราะสาัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตน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 เพราะฉะนั้นท่านก็สมควรแก่ผลของกรรมเก่าแล้วแต่ทีนี้ข้าพเจ้าก็กําลังทําเหตุใหม่ถ้าข้าพเจ้าจะถูกฆ่าก็สมควรแก่กรรมแล้วอย่างนั้นอันที่จริงก็ถ้าจะพูดให้เต็มประโยคต้องเป็นแบบนั้นแล้วก็ไปตามยาถากรรมนัม้นเกี่ยวกับเรื่องบาปอากุศลเนี่ยนะผ้าผู้ใดที่งดบาปได้เว้นบาปได้ผู้นั้นก็เรียกว่าเป็นผู้ฉลาดที่สุดแหละเพราะทาําลาอะไรท่านบอกว่าระงับภัยเวรทั้งโลกนี้และ โลกหน้าการงดเว้นจากบาปอากุศลการงดการเว้นทั้งหมดนั้นตรัสว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุประสบผลวิเศษนาน า, นาประการมีการละภัยเวรทั้งปัจจุบันและภายหน้าเป็นต้นอันนี้แหละจึงเป็นมงคลนะการงดเว้นจากบาปถ้าโดยสรุปโดยยอด่อโดยรวมก็คือเว้นบาปในทวารสามเรียกว่าอารติวีรติปาปา อารตีเว้นจากบาปทางใจวีรตีบะเว้นบาปทางกายและวาจาเอตมังคลมุตตังนั่นเป็นเหตุแห่งความเจริญแต่ถ้าทำบาปทวารใดเมื่อไรอ น, นะปัทุสลายตัวเองแล้วเนี่ยนศัตรูได้เข้ามาสิงแล้วเนนะี่ยนเป็นศัตรูที่เรียกว่าไม่มีใครจะทำลายตัวเองอ น, นะไม่มีใครจะทำลายเราได้มากที่สุดเท่ากับตัวเราเนี่ยนอันภายในเนี่ยมันเป็นคร่า เป็นพานชนิดที่เรียกว่าสร้างความเสียหายให้ก็ไม่มีอะไรจะเท่ากับภาละภายใ น, ยในถ้าถ้าเราเคยแบ่งนะอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกเนี่ยอายตนะภายในคือตาโอ้จมกูกลิ้นกายใจเจตสิกทุกชนิดนี่เป็นภายนอกหมดเลยนีนะมันถ้าเราครบเจตสิกบางอย่างเนี่ยนะครบเจตสิกบางอย่างผิดพลาดโดยเฉพาะเจตสิก เสียหายหาประมาณไม่ได้ถ้าครบกุศ ล, ลเจตสิกใจก็ดีเยี่ยมเพราะฉะนั้นถ้าอกุศลเจตสิกนี่ก็นับว่าเป็นมิตรที่ร้ายกาจมากเป็นปหาภามิตรถ้าเป็นกุศ ล, ลเจตสิกก็เป็นสหายชั้นเยี่ยมเน่ยนะเพราะว่าได้เพื่อนดีได้เพื่อนที่เป็นบัณฑิตเพราะฉะนั้นคั ด, ค, ดคัดเจตสิกเนะียคัดคัดเจตสิก ค, คัดได้ยังไงคัดได้ไหมได้หรือไม่ได้ตกลง ได้ได้ยังไงนะก็โยนิโสมนสิการเป็นเหตุแห่งอกุศลเออขอไปโยนิโสมนัสิการเป็นเหตุแห่งกุศลเจตสิกอโยนิโสมนสิการเป็นเหตุแห่งอกุศลเจตสิกเพราะฉะนั้นโยนิโสมนัสิกานบ่อยๆนะแต่ที่นี้แล้วมันไม่ค่อยโยจะทํำยังไงกันนี่มันไม่ค่อยโยนิโสมนสิการเพราะอะไร เพราะว่าฟังสัศรัทธาไม่พอคือเราขาดศรัทธาไปสรัทธินรียเราไม่ดีศรัทธินทรียอ่อนเพราะอะไรอ่อนเพราะเรียนไม่พอฟังไม่พอทรงจําไม่พอหรือถ้าง่ายๆก็เนี่ยอภินญญาธรรมเนี่ยจำไว้ไม่ดีปรินญยธรรมก็ไม่ดีปะหาตาปธรรมก่อใหม่แม่นสจิกาตประธรรมก่อใหม่รู้ภาเวตาปธรรมก่อใหม่เข้าใจ ก็สมควรแล้วละ่ะ น, นะเหมาะสมเต็มที่สุดแล้วเนี่ยนะพะก็สุตตะให้ดีนะก็ น, นี่แหละที่เรียกว่าจะต้องขวนขวายภาคเพียรพยายามบากบั่นที่สุดเท่าที่จะทําได้ในสังยุตตนิการนิทานอวักนะพระองค์ตรัสเลยว่าถ้าจะต้องระดมความเพียรทุกอย่างเพื่อจะศึกษาอย่างนี้ก็ทําให้ทําดํารงสติสัมปชัญญะทุกอย่างเนี่ยนะ อีกถ้าในสังยุตตินิยมหาวราระกล่าวว่าถ้าดับไฟบนศีรษะยังช้าได้แต่การศึกษาสิ่งนี้เนี่ยควรรีบเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าเมื่อไหร่น้อเราจะมีความรู้สึกว่าสิ่งนี้ควรรีบถ้ารู้ถ้าเมื่อใดบุคคลเข้าใจอย่างนี้นะผู้นั้นมีชาคริยานุโยกนะชาคริยานุโยคอยู่ในตัวนะนะก็ชาคริยานุโยกแปลว่าอะไรชาคริยะแปลว่าตื่น นนะมีคุณธรรมของบุคคลผู้ตื่ น, นนะตื่นอยู่ภายในว่าไม่หลับเนี่ยนะไม่หลับหมายว่าไม่ใช่ไม่ใชไ่ไม่รู้จักหลับจักนอนแต่หมายถึงว่าตื่นตัวได้ตลอดเนี่ยนะตื่นตัวว่าอะไรเป็นอะไรผู้ที่อยู่ด้วยความตื่นตัวอย่างนี้แหละเรียกว่ามีสติ ก, กับสัมปชัญญะมันผู้มีสติสัมปชัญญะว่าให้เต็มเต็มเลยนะคือแยกแยะว่าอะไรควรรู้ยิ่งอะไรควรกำหนดรู้อะไรควรละอะไรควรเจริญอะไรควรทาให้แจ้ง แต่ถามว่าถ้าไม่ทํากิจเหล่านี้อะไรจะเกิดขึ้นรู้เลยใช่ไหมว่าวิบากของผู้ไม่ทํากิจเนี่ยเป็นอย่างไรอันนีการที่แยกแยะอย่างนี้ได้วิเคราะห์อย่างนี้ได้เรียกว่ามีสติและสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะญญอันนี้มีอุปการะมากเนี่ยนะเป็นพหุการะธรรมเป็นธรรมที่มีอุปการะมากจริงๆอย่างที่เรากล่าวว่าอารติวีรติปาปาเนี่ยนะการงดเว้นจากบาปก็เท่ากับกล่าวอะไร ป harma ปรธรรมสิ่งนี้ควรละนะไอตัวตัวที่ตัวบาปทางกายวาจาใจควรละทีนี้าการที่จะไม่ทําบาปทางกายวาจาใจก็แสดงว่าเจริญกุศลทางกายทางวาจาแล ะ, ะทางใจเนี่ยนะอันนี้แหละเป็นภาเวตประธรรมทีนี้ดินแดนแดนโคโจรแห่งบาปกุศลนั่นคืออะไรปาณาติบาตมีอะไรเป็นอารมณ์ชีวิตติณสีอธินาทานมีอะไรเป็นอารมณ์ สัตว์และสังขารเนี่ยนะวัตถุภายนอกและวัตถุภายในทั้งหลายวัตถทุทั่วไปเนี่ยนะในสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตมุสาวาตมีอะไรเป็นอารมณ์อารมณ์นนะอารมหคุยได้ทุกเรื่องอะมุสาตเนี่ยนั่นะรเมิดภรยาผู้อื่นก็โพธพารมน์นะนะก็หมั่นสมาทานอธิษฐานปรารบบ่อยๆเนี่ยนะนะอันนี้เป็นมงคลนะนี่มาขึ้นมงคลข้อที่ยี่สิบนะนะ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 เจตนาที่ตั้งแห่งความประมาทก็เพราะเหตุที่ผู้ดื่มของเมาย่อมไม่รู้อัดนะทุกขสัตว์กับนิโรสัตว์เนี่ยละลึกได้ไหมทุกขสัตว์กับนิโรสัตว์ก็ละลึกไม่ได้สมุทัยสัตว์กับมรรคสัตว์รู้ไหมไม่รู้ขณะที่เมาเนี่ยนะคราะไม่รู้อัดไม่รู้ทำย่อมทําอันตรายแม้กระทั่งแก่มารดานะ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 พ่อของพระนางพิมพาหรือพ่อของพระเทวทัตเนี่ยนะเจ้าเจ้าเลยพระเจ้าสุปปพุทธเนี่ยนะวันหนึ่งแกนึกหมั่นไส้พระพุทธเจ้าขึ้นมาอะไรที่จริงพรพุทธเจ้าก็หลานท่าน น, นั่นแหละนะเป็นลูกน้องสาวท่าน น, น่ะนะท่านชื่ อ, ช, อชื่อเต็มๆก็ียกว่าสุปปพุทธพระเจ้าสุปปพุทธเนี่ยเป็นพ่อของพระนางสิริอของพ่อของพระนางพิมพาพ่อของพระเท ว, วทัตตาของพระราหุล วันหนึ่งมันไส้พระโพธิสัตว์บอกแม่เอาลูกสาวเราไปนัก็ปล่อยให้เป็นไม้ให้ลูกชายเราบวชก็ตั้งเป็นศัตรูอีกนี่นะวันหนึ่งก็ไม่รู้จะไปทํำยังไงก็เลยแกล้งกินเหล้าขวางถนนแม่ให้พระพุทธเจ้าบินทบาดสายนี่รู้ว่าพระองค์มาแล้วเตรียตั้งโต๊ะสุราเลยรับไร้สุราอยู่นั่นแหละพระองค์มาถึงก็ยิ้มยิ้มแล้วพระองค์ก็กลับไปนะบอกสั่งอมาตหารคนหนึ่งบอกไปดูสิสมณะโคดมว่ายังไงก็บอกว่าอีกเจวันเนี่ยจะถูกแผ่นดินสู่พระเจ้าข้า บอกเอา่าเรื่องอื่นเนี่ยนะพูดจริงใช่แต่เรื่องนี้ผิดแน่นะก็เลยวางแผนว่าโน่นไปอยู่บ้านชั้นเจ็ปราสาทชั้นเจ็เพรา ะ, ะแผ่นดินจะสูบได้ยังไงใช่ไหมถ้าอยู่ปราสาทชั้นเจ็ดแล้วก็วางแผนเบ็ดเสร็จเนี่ยนะให้รื้อบันไดปราสาททุกชั้นให้รื้อบันไดแล้วตั้งนักมวยปล้ำมาไว้เลยประตูละคนประตูละคนภายในวันที่เจ็ดห้ามลงเด็ดขาดเนี่ยนะนะนะจะได้จับผิดพระสัมโโมาสัมพุทธเจว่าเรื่องนี้ท่านพูดผิดแน่นอน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 พวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเมานอยู่ในอาการมึนเมาซะส่วนใหญ่แม้แต่อยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยพระพระเจ้าอูเทนเนี่ยนะพระเจ้าอุเทนเนี่ยจะเล่นงานพระเนี่ยนะจะเล่นงานพระพระพระอะไรพระปินโดละพารัทวาชะขณะนั้นก็เมาอยู่อะ่ะแล้วก็อีกคนหนึ่งนะนี่ยใครเจ้าเจ้าอะไรเนียที่พระราชาที่สั่งตัดหัวตัดหูตัดจมูกตัด แขนข้าพระโพธิสัตว์นะพระเจ้าอะไรกษัตริย์อะไรพระเจ้ากลาปุเนี่ยนะกษัตริย์พราพราณสีอ่ะที่ที่สั่งทําลายพระพุทธพระพระโพธิสัตว์นะนั่นก็เมาเนี่ยนะพันคนที่ทําความชั่วส่วนใหญ่เนี่ยนะโดยมากตกอยู่ในอาการที่มึนเมาเพราะความมึนเมาเนี่ยถือว่าเป็นฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท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 ว่าข้าพเจ้าจักประกันด้วยข้าพเจ้าเองใช่ไหมข้าพเจ้าจักรู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งข้าพเจ้าจะต้องละสิ่งที่ควรละจะต้องกําหนดรู้สิ่งที่ควรกําหนดรู้เหมงันกันข้าพเจ้าขอเอาใจข้าพเจ้านี่แหละเป็นเดิมพันเหมือนกันข้าพเจ้าขอสมาทานทําบุญเพื่อจะทํากิจอันนี้เอาให้มันแม่นแม่นนะคุณบัญชมไม่งั้นนพลาดพลาดศาสนานี้แล้วก็เดือดร้อนแน่ พระการดื่มสุราและเมรัยเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทจริงๆอย่างประเทศไทยเราก็ฆ่าพ่อฆ่าแม่ไม่ใช่น้อยก็เพราะดื่มสุราและเมรัยนี่แหละเนี่ยนะอย่างแม้กระทั่งติดยาบ้าทั้งหลายเนี่ยนะก็เพีงกับฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็มีพันผู้ที่ทําบาปเหล่านี้นะีประสบความเดือดร้อนในปัจจุบันเนี่ยนะในปัจจุบันนี้เดือดร้อนมากนะพวกที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่แล้วพบหน้าละ ถ้าไปทำ้ายพระอริยะทั้งหลายเนี่ยนะอย่างในตัวอย่างใช่ไหมพระพุทธเจ้าพระปเจกับพระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าบิดามารดาเนี่ยโอ้เป็นวัตถุแห่งอนันตริยกรรมทั้งหมดเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นก็พบหน้าก็อาบายถ้าเวียนกลับมาสู่ความเป็นมนุษย์ต่อไปอันนี้สงก็คืออย่างเบาที่สุดคือความเป็นบ้านะก็เป็นบ้าสมัยให ม, ม่ก็นับว่ามีให้เห็นไม่ใช่น้อยเลยใช่ห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 ไปดูในกลุ่มพระชาดกเนี่ยนะโอ้โหเป็นพูดถึงโทษของการดื่มสุราที่นับว่าดีเยี่ยมอ่ะนะถ้าใครยังไม่อ่านก็ควรไปอ่านนะเชื่อว่ากลุ่มพระชาดกนะเรื่องเรื่องสุราเลยแหละเรื่องดื่มเหล้านี่แหละเรียกว่าน้ํากลุ่มเรียกว่าเป็นน้ําที่เรียกว่าเสียหายมหาศาลเลยนะสร้างความเสียหายในกลุมพระชาดกนะไปอ่านนะเนื้อสูตรนี้ดีมากในนชาดกอนะ ไม่จําไม่ได้ว่าเล่มหกสิบสองหรือหกสิบเอดหรือหกสิบนะนะนะสองแถวแถวนั้นนะหกสิเอ็ดหกสิบสองเนี่ยสองเล่มนะแถวนั้นนะเล่มอะไรคุณโชคดีจำไม่ได้คุณโชคดีไปชอบใจมากนะน ะ, อะนะชอบใจมากๆเดี๋ยวไปท่องเล ย, เยบอกว่าคุณโชคดีไปเล่าให้ลูกน้องฟังบ้างะนะเดี๋ยวลูกพี่จะเดือดร้อน <c oughs> ชื่อว่ากลุมพระชาดก ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะเพื่อนนางวิสาขาเนี่ยกินเหล้าเมาอะ่ะห้าร้อยคนเนี่ยพอเมาเนี่ยไปเมาในหน้าพระพุทธเจ้าด้วยนะก็เลยจะเต้นระบำให้พระพุทธเจ้าดูเลย <c oughs> เป็นเอามากขนาดนั้นนะถ้าสุรามันเข้าแล้วครับครับเรียนถามพระคุณเจ้าคะ่ะเออโยมเคยเห็นคนเมาเอ อ, เ อ, อคนบ้า น, นะคะคนบ้า คนบ้านกระเะกระเซิงเลยค่ะนั่งอยู่ริมฟุตบาทแล้วก็พุมพำพุ่มพำพอโยมเดินผ่าน <c oughs> ก็ได้ยินเขาสวดมนต์ <c oughs> เขาพุมพำนี้สวดมนต์พุทธังสรนังขะชามีอะไรจะพุมพำแบบเนี้โ <c oughs> ยมก็เลยสงสพิจารณาจิตเขาอะนะคะว่า อ, อจิตเขาจะเป็นอะไรจะ เ, เพราะว่าถ้าคนบ้านเนี่ยจิตควรจะเป็นโมหะเ อ, อนะคะจิตควรจะเป็นโมหะ แต่ว่าวาจีวินยัตเขาเนี่ยเป็นกุศลก็เลยเลยยมเลยไม่ทราบว่าวาจีวินยัตเขานั้นเนี่ยจะให้ผลไหมเป็นเป็นกุศลที่ให้ผลได้ไหมว่าจะทำให้ชวนาชวนะก็เป็นโมหะอีกคือยมสับสนว่าระหวัค ง, าวางคือคนบ้าไม่ใช่เขาทำกุศลไม่เป็นเขาก็เป็นแต่ว่ากุศลมันมีกำลังน้อยกว่าอย่างอื่นมีกำลังน้อยกว่าอย่างอื่น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 แะก็ใครชาติต่อๆไปไม่อยากบ้าก็เเลิกดื่มสุราและเมรัยแต่ว่าผลของการดื่มสุราเนี่ยนะก็มีความเป็นบ้าเป็นที่สุดอย่างว่านะอารมณ์อนะไอารมณ์อมของข้อนี้ก็คือราษารลมหรือโผฏฐารลมเนี่ยนะพวกนั้นนะ่ะเพราะว่ามันทาวารลิ้นใช่ไหม เป็นเรียกว่าทั้งรส า, ารล์ทั้งโพธพารมเหนะเจตนาที่ดื่มตัวนั้นก็ได้ทั้งมุ่งจะดื่มรส า, ารลมหรือมุ่งจะดื่มโพธพารลมเพราะเหล้าเนี่ยมันมีรส า, ารลมอยู่ด้วยมีร่าสารลมบางคนก็ติดใจในรสของสุราเพราะสุราบางอย่างเนี่ยมันหวานมากๆเลยนะหวานประดุดน้ําผึ้งจริงๆที่เรียกว่ากลมเหล้าอะไรนะน้ําขาวใช่ไหมกลมน้ําขาวเนี่ยจะหวานมากไมคก่อนนั่งสวนดมเนี่ยทีละสองล้ำคัวเตอร์นะน้ําขาว มเมาแอนกลับบ้านเลยนะสวนลมนั่นแหละทาบาปไยคิดถึงสวนลมต่ไปไม่ดีแน่ <c oughs> ควรละสิบบาทสมัยนั้น <c oughs> นี่ต่อไปนะว่าอ่ uh, นะอปปมาโทจะทําเมโซนเนยนึกถึงตอนไหนก็บาปทั้งหมดเลยนะก็ศ <c oughs> <c oughs> ึกษาธรรมะดีที่สุดแล้วนะ